วันนี้จะไล่ตัวกิเลสคือชี้ตัวกิเลสให้เห็นกิเลสมันมีหลายชั้นคนเรานะั่นพากันกลัวนะักกลัวหนาตัวกลัวตัวกิเลสแต่เราพากันกลัวกิเลสเนะี่ยจะเอากิเลสมาใช้ยกเรื่องเลยกิเลสเป็นนายเรา กิเลสใช้เราไม่ใช่เราใช้กิเลสคนเราไม่รู้จักกิเลสจึงต้องยอมเป็นทาสของกิเลสให้กิเล ส, ชเลสใช้เรากิเลสไม่ใช่อยู่ที่รูปที่สคนเราเกิดขั้นพิษตรงไหนในกะิเลสตื่นขึ้นตรงนั้นไปอยู่ตรงไหนกิเลสอยู่ตรงนั้นขอให้มีตัวขึ้นมาทถก ตัวคนเราพอเป็นตนเป็นตัวอยู่มันจะเป็นตัวกิเลสไปในตัวเลยกิเลสนี้ถ้าหาว่าิกิเลสอย่างหยาบ ก, ก็มันบังคับให้เราเลยใช้เราให้ได้รับทนทุกข์ทรมานมากหากกิเลสละเอียดมันก็ใช้ให้เราได้รับทนทุกข์ทรมานน้อยหน่อย ยกลงว่าถ้าหากกิเลสเป็นนายแล้วไม่มีความสุขกิเลสดีสุขขึ้นมากหน่อยกิเลสได้ทุกข์มากตราบใดยังไม่พ้นจากกิเลสแล้วก็ยังไม่พ้นจากทุกข์หรือตัานะจับหลักเบื้องต้นให้ได้ตัวงเราคือตัวกิเลสเราจะพากันหนีจากกิเลสโดยวิธีต่าง อย่างการเข้าวัดก็กลัวกิเลสยังคอยหนีเข้ามาวัดเมื่อบวชเป็นชีเป็นเนนเป็นพระเเพ้ก็ดีมาเป็นพระเป็นสงฆ์ก็ดีแม้แต่พระเที่ยวทุดงเข้าไปอยู่ในป่ากิเลสมันยังตามไปคนกลัวเสือกลัวหมีแต่กิเลสน่ยไม่กลัวมันยังบัคับคนเหนือคนอีกซ้ำ นี่ เ, นเรื่องกิเลสมีอย่างนี้แหละเรารู้จักอาการของมันแสดงมาภายนอกหรือบางคนยังไม่สามารถรู้จักอาการของกิเลสเสียสักกิเลสที่มันแสดงอาการออกมาเข้าใจว่าเป็นของมีหน้ามีเกียรติเป็นของดีเด่นอย่างเราจะเห็นได้แสดงความมีความรวย สแสดงความสวยสดงดงามสแสดงความเป็นหนุ่มเป็นสาวสแสดงวิชาความรู้วตนฉลาดเฉียบแหลมอะไรต่งตางๆความไม่มีโรคมีภัยไข้เจ็บแม้ที่สุดแต่สแสดงอาการคขมโกรธริว้วหน้าเป็นยักษ์เป็นมารก็ยังสำคัญว่าเป็นของมีหน่ามีเกียรต เหนือคนอื่นอีกด้วยมีกิเลสมาันแสดงออกมาเพราะคนเราไม่จักตัวกิเลสแล้วเมื่อไม่รู้จักตัวกิเลสก็ไม่เร้าจะไปชําระกิเลสได้อย่างไรจะไปอยู่ไหนอยู่ไหนมันก็เมื่อไม่รู้จักมันก็ไม่เร้าจะไปชําระได้อย่างไรกิเลสมีที่เกิดคือที่เกิดที่ใจ ใจนะั้นมันเอากิเลสมาเกิดคือมันมีความยึดควางถือเรียกว่าอุปทานมีความประทานยึดมั่นสำคัญในสิ่งใดในภพใดชาติใดในภูมิใดมันก็ไปเกิดในภพนั้นภูมินั้นชาติกำเนิดนั้นนั่นี่ากิเลสนำมาเกิด เมื่อกิเลสนะเมาเกิดเช่นนั้นแล้วครานี้มันก็สร้างตัวกิเลสสร้างบอ่อเกิดให้เกิดกิเลสคือสร้างตาสร้างหูจมูกลิ้นกายสร้างใจเป็นที่เกิดของกิเลสนี่ที่เกิดมากขึ้นเท่าไหร่กิเลสมันก็มากขึ้นเท่านั้น ถ้ากิเละไอถ้าหากวาบ่อกเกิดมันน้อยไปต้องคิดดูถ้าตาไม่มีตาไม่เห็นจะอย่างเดียวัก็หมดเรื่องไปมันจะไปรักไปชอบแล้วไปเกลียดไปโกรธใครในเมื่อเห็นนัะไม่มีหรือหูมหมดไปใช้ไม่มีใชมันมีแต่ตากิเลมันก็ค่อยน้อยไปทั้งหูไม่ได้ยิน นี่แหละมันสร้างบอ่อเกิดขึ้นมากมายมันเก็บไปไว้ไหนล่ะเกิดจำไปไว้ที่ไหนกันจนไม่มีที่เก็บที่ไว้สร้างบอ่อเกิดของกิเลสสร้างมามากๆทับผมตัวของเราจนมืดมิดปิดปัดยาไม่เห็นช่องหนทางที่จะออก ออกจากคุ้มขังแล้วออกจากวงล้อมของสิเลชีแรกเหมือนกันนว่าน้อยนิดเดียวนะอย่างภามาเกิดนะั่นคือความยึดความถือคือ โ, โดยไปทานภาให้เรามาเกิดตาก็ไม่มีหงจมูกลิ้นกายก็ยังไม่มีเหมือนกันไม่มีอะไรแนระ้วอันนี้พอดีมาสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจคือหมายถึงก็เลย ห่มห่อปกปิดมดเลยไม่ทราบอะไรไม่ทราบอะไรต่อไปงนไหนใ้ดูจักบอ่อเกิดของกิเลสยังพูดถึงตัวกิเลสยังมาทันถูกยังมาทันถูกตัวที่พูดนี่พูดจะบอ่อเกิดตัวกิเลสแท้นเกิดจากใจนันเบื้องต้นมีที่ใจแห่งเดียว นต่อม า, มาสร้างอานเตนาทั้งหกเยมากขึ้นที่ท่านแสดงอาการของกิเลสตัวกิเลสยังพูดไม่ถูกความโลภความโกรธความหลงอันนี้เป็นอาการของกิเลสเรียกว่ามูลฐานของกิเลสถ้าเกิดความโลภแล้ว บานตายนี่มันเอาตานี่ไปใช้ที่มันจะบานก็ดีพอาะที่เห็นสิ่งใดที่ต้องการในปรารถนาจิตใจจดช่องมองในสิ่งนั้นให้ยึดให้มั่นในสิ่งที่ชอบปชอบอกชอบใจถึงแม้จะปิดตาแล้วมันก็ ย, ยังปรากฏอยู่ภายในใจเพราะ มันสร้างขึ้นที่ตาแล้วมันไปไปฝังไว้ที่ใจภายในใจถ้าสิ่งมันไม่ชอบกับกลุงมันขาวมันก็ไปฝังไว้ที่ใจเหมือนกันถึงจะปิดตาแล้วมันก็ไม่พอใจเรียกว่าคว า, ความโกรธความโลภคือมันอยากได้ พูดในที่นี้คำว่าโลภนั่นคือว่ามันมันไม่มีแล้วมันอยากได้อันสิ่งที่มันเห็นน่ะเอามาไว้มาเป็นของตัวเรียกว่าโลภพูดเจ้าพ่อในทางปฏิบัติจะเรียกว่าโลภอยากได้ของที่มันมีอยู่ในตัวอยากได้ของนอกจากใจเอามาไว้ที่ใจเรียกว่าโลภ มันโลภอย่างนั้นเลยคะ่ะนี่มันไม่พอเลยคะ่ะนี่ได้เท่าไรก็ไม่พอได้มากเท่าไรก็ไม่พออย่างตาเห็นเห็นสิ่งที่เราต้องการแล้วเราปรารถนาแล้วเราชอบใจรักใครยินดีติสหติดตาของันเดียวเลยมากเพิ่มพูนขึ้นที่จริงของันเดียวแหละแต่เพิ่มพูนทับถมหัวใจ ติปมั่นอยู่กับใจเรียกว่าคือความโลภความโลภที่อยากได้อย่างนี้อยากได้มาไหว้ของเป็นของตัว่เรียกว่าโลภแนวทางปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้ถึงทางประหยัดโลภอย่าได้ของคนอื่นก็ทั่นองเดียวกันนี่แหละคือไม่ใช่อยู่ที่ตัวของเราอย่างถ้าเป็นรูปอะไรสวยๆ ส, สดงดงามอย่างนี้แหละตัวของเราไม่มี ในใจนั่นรูปสวย ส, วยสดงดงามเช่นนั่นเราไม่มีแล้วอยากได้รูปมันที่ของคนอื่นที่สวยสดงดงามมันน่ะหรือสิ่งอื่นที่วัตถุอันใดก็ตามที่มันไม่มีในใจของเราอยากได้โลคอยากได้นั่นมาไว้ในตัวในใจของเรานั่นเรเรียกว่าโรค ก, การโลคแล้วไม่พอแล้วค่ะนี่มันที่พอได้ยังไงตามันไม่มีที่เก็บหรอกมันเป็นได้เพียงผู้โรคไปเฉยนี่แหะ โลกอยากได้เฉยเนี่ย่ะมันไมมีที่เก็บหร อ, อย่างเราดูหนังนะ่ะดูภา พ, พยนตนระ์น่ะแต่และฉากละฉากเนี่ยนั่งจนเหนื่อยมันพอที่ไหนแล้วมัไปเก็บไว้ที่ไหนกันก็ไม่ทราบนั่นในความโลภเอาตัวอย่างาเฉพาะเรื่องภา พ, พยนตร์ไปแล้วกันงั้นการที่โลกบางบ้างนั้ะทับถมหัวใจ จนไม่รู้ตัวนั่งดูจนไม่รู้สึกเหนื่อยเนื่อยก็ไม่รู้สึกลืมไปขนาดนั่งพิกไปเทกมาขับไปกลับมาไม่รู้สึกพุ่นไปโลภเอาโลภหุ่นนี่จังว่าจนทับโถมโขมทุกข์ลืมทุกข์ไปคือมันไม่คิดถึงเรื่องทุกข์ทั้งทังที่ทุกข์อย่าง น, นจึงเรียกว่าหลงทุกข์ให้มาเป็นสุข แทนทั้งๆ ท, ที่มันทุกข์อยู่นั่นแหละแต่เข้าเย้าเป็นความสุขคือความโลภถ้า ง, งั้นโลภมันจะไปพินพิพานได้หรือไม่เหรอนมันก็เปล่าเหมือนกันคือไปไม่ไม่แช่ของจริงเอาทุกข์มาเป็นสุขถ้าเอาสุขเป็นสุขจริงจรมันก็จะถึงพินิพานแต่ น, นี้ไปเอาทุกข์ทุกข์มาเป็นสุขมันไม่ถึงพินิพานหรอกมันหลงอยู่ขนาดนี้เราจะไปถึงพินิพานได้ไง หลงของจริงนี่ว่าถึงเรื่องความชอบใจคือความโลภความกโกรธก็เกิดขึ้นในที่นั้นหากว่าสิ่งใดเช็นดูภาพพยนต์นตัวอย่างฉากใดที่มันไม่ชอบใจไม่พอใจไม่อยากดูทั้งที่เขาฉายังมาทันหมดม้วนน่ะ แค่ไม่อยากดูดูให้พอใจอยากดูมวลอื่นนั่นคือกลามไม่พอใจได้็ความโกรธนั้นน่าเข้าก็เลยทำให้งดหงิดขึ้นมาผ่านในใจแสดงอ่ควอมโกรธทั้งโลภและโกรดนี่แหละตกอยู่ในห้องของมหลงคือไม่เห็นตามเป็นจริงอธิบายมาแล้ว มีเรื่องอกุศลเหตุให้เกิดบาปต่างๆคือความโลภนอกนั้นยังมากมายหลวงหลายถ้าอันนี้ยังมีอยู่ภายในแล้วอื่ น, อ, น, อ, น, อ, นอีกไม่มีที่สิ้นที่สุดอย่างดูภาพยนตร์ที่ว่านียดูทุกคืนก็ได้ดูทุกนัดก็ได้ไม่ได้ดูไม่สบายใจ ให้ได้ดูเสี้ยวงค่อยจะสบายใจนีในความโลภมันเกิดขึ้นอย่างนี้ความโลภความโกรธความหลงท่านแสดงไว้เป็นตอนตอนแต่ความเป็นจริงน่ะเป็นหมู่เดียวกันไปด้วยกันอยู่ด้วยกัน อยู่ที่ใจของคนคนเดียวแล้วก็เกิดในลำดับกันต่อๆกันไปถ้าเรามาปฏิบัติเข้าใจอย่างนี้จึงจะเข้าใจทั้งเรื่องหลักธรรมถ้าเราไปแยกเป็นส่วนโลกไปถึงโน่นโกรธว่าที่นี่หลงว่าที่นู่นเลยเข้าหากันไม่ถึงนันที่ไม่เจอหากันไม่เจอสักทีเพราะ ไม่เห็นที่เกิดของกิเลสถ้าเห็นที่เกิดของกิเลสคือใจเห็นที่ใจในความโลภเกิดขึ้นอนธิบายมาแล้วความโกรธความหลงเลยมาอยู่ด้วยกันเกิดขึ้นในราดับนั้ไม่เคยมีตำราตาลาเลยคำพีไหนก็ไม่เคยโลภโกรธหลงแยกกันถ้าโลบแล้ต้องโกรธมีโกรธมีหลงทุกแห่งทุกหน ท่านจงเรียกว่าอกุศลละมูลมูลให้เกิดบาปคือความชั่วทีนี้ถ้ากุศลละคนี้ทั้งสามอย่างนี้ละหายไปแทยจัดใจโลภก็ไม่มีโลดก็ไม่เกิดหลงก็เลยหมดไปตัวอย่างทำยังไงเราจะมองให้เห็นได้ กุธชนมูลเท็เกิดขึ้นไยงอย่างแล้ว <c oughs> เ, เห็นสิ่งที่เป็นมงคลเช่นเข้าวัดเข้าวาเห็นโบสถ์วิหารเจดีย์กด็ดีเห็นพระพุทธรูกมติมากรกและเห็นพระเจ้าพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจิตใจของเราก็เบือกบานหายไปจากความ เศร้าหมองจิตใจพ่องใสเบิกบานความเศร้าหมองของใจไม่มีเราพยายามที่จะสนใจและศึกษาแต่ในหลักคุณงามความดีไทยถามคุณงามความดีศึกษาถึงคุณงา ม, งามความดีในวัดในวา ในหมู่ในคณะผู้ปฏิบัติดีหรือในเจจาวาสด์ผู้ปฏิบัติดีความดีนั้นเข้ามาสิงอยู่กับจิตใจของเราก็เลยเบิกบานของสัวคือเพิ่มคูนความดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อได้ทำดีแล้วก็อยากจะให้มันดีขึ้นมาเรื่อยๆโลภเหมือนกัน โลภในทางที่ดีก็โกรธเหมือนกันโกรธในทางที่ไม่ดีถ้าความไม่ดีเข้ามาแทรกก็ไม่พอใจก็โกรธเหมือนกันแต่ว่ากําจัดความหลงคือความหลงที่ว่าเห็นผิดเป็นถูกเห็นชั่วเป็นดีแล้วห็ดีเป็นชั่วมันหมดไปหมดไปนั่นกําจัดไปอยู่ในตัว ความโลภความโกรธเกิดขึ้นแต่ชำระความหลงค่อยให้หมดสิทธิ์ไปอันนี้กิเลสอย่างอย่างดีนำมาถึงความสุขทำใจใหร่องใสและเบิกบานมีเรื่องกิเลสในทางที่ดีพระกิเลสในทางที่ดีนี่แหละ เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะชาระกิเลส ข, ของเราให้ค่อยหมดสิ้นเปืองให้สิ้นไปโดยลำดับคือพยายามที่จะทําดีคือความโลภน่ะโลภเรียกให้ดีขึ้นไปโดยลำดับเรียกว่ารักษาความดีที่ไม่ทันดีก็จะให้ดีขึ้นมามันดีแล้วก็รักษาไว้ไม่ให้ดีไม่ให้ความดีนั้นเสื่อมซูลไปความไม่ดีนั้นละทิ้งแล้วก็กีดกันไว้คือความโกรธ ่ให้ความชั่วไหลเข้ามาความไม่ดีนั่นแทรกซึมเข้ามาเรียกว่าโกรธสมมติให้เป็นโกรธซะหากยังมีความหลงอยู่กับพญายาที่จะชําระความหลงเพราะความหลงมันไม่หมดสิน้นเหตุนั้นจิตใจยังค่อยใสสะอาดเป็นโดยลำดับนี่อาการที่เราจะคิดค้นหาตัว ทีเลสคือความโลภโกรธหลงมันต้องคิดค้นด้วยด้วยประการอย่างนี้ด้วยวิธีนี้เมื่อเราคิดค้นอย่างนี้เราจะเห็นตัวไปละเรามาชําระความโลภความโกรธควาหลงในทางที่เลวทรามออกไปแล้วจิตใจผองใสเบิกบานยังมาทเพุ่ธสุดเต็มที่แล้วก็เห็นเบิกบานผองใสขึ้นมานั่นเห็นตัว ข่วงโลภโกรธหลงที่มันหมดไปถ้าหงมันมืดตะกึดเลยมองไม่เห็นอย่างโลภโกรธหลงในทางที่เลวสามอย่างที่บาลมีแล้วโมหะคบคั่งมิดปิดมิดหมดเลยเลื่อนไปดูเรื่องเห็นชั่วเป็นดีเห็นดีเป็นชั่วไปหมดกิเลสในทางค่อยดีขึ้นมาโลภโกรธหลงให้ทางที่ดีขึ้นมานี่มองเห็นเห็นดีเห็นชั่วเห็นผิดเห็นถูก อันนี้เห็นตัวละเห็นตัวกิเลสแล้วแล้วก็จับตัวกิเลสแล้วก็พยายามที่จะชำระตัวกิเลสที่จะฝึกฝนอบรมกิเลสที่มันดื้อดนนะครัมันค่อยเชื่องหรืออบรมกิเลสฝึกฝนกิเลสอันที่มันยังหยาบคายนะนครับค่อยอ่อนนุ่มนวลขึ้นมาทำลายอย่างต่อเนื่อง เราจนกระทั่งอบรมกิเลสจนกระทั่งใช้กิเลสได้เราใช่ในใช้กิเลสได้ความโลภคือพระนยามที่จะสร้างความโลภแต่ในทางที่ดีคือพระนยามสร้างความดีไว้ให้ขี้เกียจขยี้ขดไม่เห็นแก่ความนนเหนือไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ความสุข แค่งานที่จะสร้างคิเลศนั้นดีดันให้มันชิดมันชนานาญในการสร้างคนงามความดีให้มันจนเป็นนิสัยความดีนั้นเราจะมันความโลภอ น, นั้นอะโลภในในทางที่ดีโลภันในทางที่ถูกในทางที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่น แล้วโกรธคือกีดกันไม่ให้ความชั่วนั้นล้วนไหลเข้ามาเช่นความี้เกียจครับหรือความเห็นแก่ตัวหรือความที่ขี้เกียจเน็ดเหนื่อยครับมุนกีดกันไ่ให้มันขึ้นไมใ่มมให้เข้ามาที่นีนจนกระทั่งเราอบรมทุกผนได้จนเป็นนิสัยมันก็ดีขึ้นมาีกครับนี้ ความเป็นอยู่ความประพฤติปฏิบัติต่างๆมันก็สุภาพเรียบร้อยมันก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นเป็นประโยชน์แก่แตนแลเป็นประโยชน์แก่หมู่แก่คณะเป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนานี่เราใช้กิเลสฝึกหัดใช้มันจนได้อย่าไปทิ้งถ้าทิ้งกิเลสวันนี้เราไม่ทราบโยธทำไมครับกิเลสคือค้อมอยากไม่เอาละมันไม่อยากทำยังไงหร มันไม่อยากกระโมดนะสิละ่ะเลยไม่อยากเลยไม่อยากอะไรก็เลยแล้วมั้มาหัดควบหยาคมันดีคือควมโกรธเขาจะไม่พอใจนั่นมาหัดเย่าให้มันโกรธให้มันโกรธในทางที่ละชั่วคือไม่พอใจในความชั่วเรียกว่าโกรธถ้ามันพอใจยินดีนนในคนงานเพืดีนี่เอาไว้ใช่อย่างนี้ แต่เราก็เลยไม่หลงแล้คันนี่เอาความไม่หลงมาใช้ละคะนันคือรู้เท่ารู้ตัวกิเลสเห็นตัวกิเลสเห็นความดื้อดนของกิเลสเห็นความเร็วสามของกิเลสเราละหัดท่านฝึกฝนอารมความเร็วสามนั้นนะมันกลับเป็นคนดีกิเลสทำให้เป็นของดีขึ้นมาเราใช้ในทางที่ดี แค่กิเลสในการที่ปราพติเลีวสามค่าสัตว์ต่อทิวิตประพฤติิดไม่ใช่จานให้ดื่มห ร, รืามีอะไรหรือกิเลสที่มันพูดหยาบคายพูดกระแทกแดกดันไม่พูดเพ้อเจ้อเลีวไหลกิเลสนีน่ยมันบังคับให้เราทําท่านี้เราเอากิเลสนะนะพูดมันไม่ดีนะหนัทให้มันพูดดี ฮัตทํามันพูดสุภาพเรียบร้อยถ้ามันทําสุภาพเรียบร้อยถ้ามันเน่มมันนวลฮัตทําใหมันพูดทําให้มันเป็นที่หน้าฟังทําเป็นที่หน้าเคารพและนับถือฮัดพูดในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ให้มีหลักมีเกณฑ์มีเป็นสุภาษิตผูดใดฟังและผูดด้ใดคิดจากเอาไปคิดไปนึกไปพิจารณาถ้ามันได้เกิดปัญญานั้นเอา กิเลสคือความไม่ดีนะมาหัดให้มันดีขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช้กิเลสมันจะเป็นประโยชน์จริงๆถ้าไม่มีแล้จะเอาเรามาใช้ก็ยากเงือเขาเอางัวควายมาฝึกหัดนะให้ใช้การใช้ภาระธุระรัภระธุร ะ, ะ, ะ, ะได้เขาของไม่เลวของไม่มีของไม่ดีนเนี่ยคือมันยังไม่ทันดีเลยใช้การไม่ได้ เอามาหัดจนกระทั่งใช้การใช้งานได้นี่เรียกว่าของมันมีอยู่มหัดของของไม่ดีมหัดธรรมดีเนื้ออย่างทับสันผาระเช่นไม้เป็นต้นที่อยู่ในป่ายืนต้นอยู่ในป่าเขาไปตัดไม้แล้วก็มาเลื่อยเป็นแผน่นเป็นกระดานเป็นไม้สําเน็ตรูป ก, ก็ยังใช้ไม่ได้เขาต้องเอามาทูบกบมาตัดมาปรุง ทำเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นบ้านเป็นเรือนถ้าไม่มีเราจะเออะไรมาทำนะเอาของไม่ดีที่มาทำมันดีขึ้นจึงว่าเอาขี้เลเดมาหัดอบลมมันเป็นของดีขึ้นอย่างนี้เราไปเห็นของไม่ดีแล้วไปทิ้งเสียเนี่ยขี้เลเดไม่ดีไปทิ้งมดเลยไม่เอาอะไรใช่ไม่ได้หรอกแบบนั้นให้พิจารณาให้ดี ทำนี่อาจจะไม่เคยได้ยินถ้าไม่คิดอาจจะไม่เข้าใจเอากิเลส ข, ของไม่ดีนั่นนะมาใช้เป็นของดีจําได้เท่า น, นั้นนะ่ะข้อสําคัญเอากิเลสมาใช้เป็นประโยชน์ยาคิดอะไรก็ตามเถอะที่เป็นของเป็นพิษถ้ามาปรับปรุงแทรกยา สามารถที่จะ ง, งับโลภภัยกำจัดโลภภัยได้ของเป็นพิษมาปรับปุงให้มันเข้าก็ดีพองามมันถูกได้สั์ได้ส่วนกลับกลายเป็นยาได้เหมือนกันพิกขี้หนูนั่นเผ็ดเผ็ดาแต่ใช้ปลายลียงน้ำตาออกคนละเอามาทำน้ำพริก เอาเกลือใส่บ้างาน้ำปลาใส่บ้างอะไรต่างๆยกเพชรอันหนาเข้ากับน้ำตาลใส่บ้างเอาหักไปขี้มันก็ยังได้ทานได้ได้ล้วหรือไม่แค่นั้นไปโขกใส่แกงพอดีพองานอร่อยถ้าไม่มีพริกแล้วทานไมได้หรอนี่ปรุงคือปัญญาใช่ของไม่ดีให้เป็นของดี กิเลสเป็นของไม่ดีถ้าหากเราไม่มีปัญญาทิ้งกิเลสแลอเลยไม่ทราบจะเอาอะไรมาใช้หมดเลยถ้าเราใช้กิเลสนั้นของไม่ดีมาปรุงเขาเป็นของดีขึ้นมากิเลสเลยใช้การงานได้เจ้ของเราทั้งหมดดังอธิบายมาแล้วเรียกว่าเกิดมา พระกิเลสนำมาเกิดและก็กิเลสจะฝังอยู่ที่ใจของเราทุกคนมีกิเลสคือโลกโลกตุลเราจะหนีจากกิเลสหนีไม่พ้นและก็หนีไปก็ไม่ได้ประโยชน์ถ้าเร า, าปรับปรุงกิเลสนี่แหละให้ใช้ได้กิเลสเลยเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองคนอื่นตัวเราเลยกลายเป็นของมีค่ามีคุณขึ้นมา เราทิ้งแสรแล้วเราหนีจากกิเลสไม่สามารถหนีไปไหนอันนี้เรียกว่าคนไม่มีปัญญาเลยทําตัวของตนที่มันมีอยู่แล้วของที่ ม, มีอยู่แล้วให้เป็นคุณค่าประโยชน์ขึ้นไม่ได้อโมขันตสะชีวิตตังชีวิตอันนี้เป็นของเป่าได้จากประโยชน์ถ้าใช่ไม่เป็น ถ้าใช่เป็นแม่เลยเราเกิดขึ้นมาสักวันหนึ่งแล้วตายไปก็ยังได้ประโยชน์ดีกว่าคนที่ใช่กิเลสไม่เป็นให้กิเลสบังคับมีอา ย, อยุตั้งร้อยปีแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยสู้คนเกิดมาได้วันเดียวใช้ชีวิตคือกิเลสเป็นประโยชน์แล้วตายไม่ได้มีอธิบายถึงเรื่อง ตัวกิเลสบอ่อเกิดแล้วเกิดกิเลสแล้วยังเพิ่มเติมอีกให้ใช้กิเลสปรับปรุงกิเลสให้ใช้ประโยชน์ให้ได้อย่าไปทิ้งกิเลสได้หนีจากกิเลสไม่ใช่ของหนีและไม่ใช่ของทิ้ง